ยีสิบนิทัศนะติกะ 14. อาีสวโรโคชกะเป็นต้น79อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอาสวะยอ่อเฮตุ ป, ปัจใจมีสามสิบวาระอารมณะปัจจัยในห้าวาระและถึงอัญญามัญญะปัจจัยมี25้าวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีสามสิบวาระ80สิ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นปรามาตย่อ เหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมียี่สห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามสิบวาระยี่สิบสองสนิทัสนติกะห้าสิบห้ามหันตระทุกละแปดสิบเอ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ย่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระ อธิปติปัจใจมีสามสิบวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมี25้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสามสิบวาระ 82. อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นจิตยอ่เอเฮตุปัจใจมีสมสิบวาระอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอัญญมัญญะปัจจัยมี25้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสามสิบวาระ บทว่ามิใช่ไม่เป็นจิตย่อมมีไม่ได้แปดสิบสามอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเจตสิกยอ่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอรามะณะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมียีสห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามสิบวาระแปดสิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึ่งไม่สัมพยุธ์ด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่รักควรกับจิตย่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอธิปติปัจจัยมีสามสิบวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมียี่ห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระแปดสิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐาน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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่รักพนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตยอ่อเทตุปปัจใจมีสามสิบวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอัญญมัญญาปัจใจมียี่สิห้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสามสิบวาระแปดสิบหกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายใน ยอ่อเหตุปัจจัยมีสาสิบวาระอรมณะปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอัญญามัญญปจจ ะ, ะ, ะปัจจัยมี25้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสาสิบวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายนอกยอ่อเหตุปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี9้าวาระแปสิบเจด อาศัยสภาว uh, ธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปย่อเหตุปัจจัยมียี่สิห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิห้าวาระแปดสิบปดอาศัยสภาวะธรรมร wide, ร ท, ああที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กรคำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึ่งมีเชิงก ร, รมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือยอ่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอารมณะปัจจัยมี9ก้าวาระละถึงอัญญะมัญญะปัจจัยมียี่สิห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระยี่สิบสองชนิทัสนะติกะห9สบเก้าอุปาทานทุกกะเป็นต้นแปดสิบเก้า อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นกิเลสยอ่อเหตปปจจุปัจจัยมีสามสิบวาร ะ, ะอารมณะปัจจัยมี9ก้าวาระละถึงอัญญมัญญะปัจจัยมียี่สห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระยี่สิบสองสนิทัศนตึกกะแปดสิบสามเปติทุกกะ เกอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามสิบวาระอารมณะปัจจัยมี9้าวาระละถึงอัญญะมัญญะปัจจัยมียีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระพึ่งขยายปิฐิทุกขะให้พิดารณาเก้าสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึ่งไม่เป็นเหต huh. ุให้สัตร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตวร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้องห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตรองห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตรองห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้องห้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 เหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอารมณ์ปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมียีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสาสิบวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิดารณาเกสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้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 ซ, sea, ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่มิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถปัจจัย๙๔สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้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 สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่มิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่ยอ Goes. เหตุปัจจัยเมียก้าวาระอ ร, รมาณปัจจัยเมียก้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยเมียก้าวาระสหชาตาวาระ ปัญญยาวาระนิจยาวาระสังสัาวาระและสัมปยุตตะวาระทุกปัจจัยมีปัจจยและก้าวาระธรรมปัจจนียะตึกกระทุกระปทานจบ พระอภิธรรมมปิดกธรรมปัจจ尼ยะตึกะตึกะปัฏฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งอุศละตึกะหนึ่งเวทนาตึกะหนึ่งปฏิจจาวาระเหตุปัจจหนึ่งสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่จำเป็น ด, ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภิยกฤตซึ่งไม่ัมพยุดด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ัมพยุดด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ัมพยุดด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ัมพยุดด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสอง สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ ส, ส, สม th th ัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิญากฤตซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัิญญากฤตซึ่งไม่สัมพยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศล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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพญากฤตซึ่งไม่สัมพยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤิตซึ่งมีสัมพยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีสัมพยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤต ซึ่งมีสัมปยุทธิสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภพยากฤิซึ่งมีสัมปยุทธยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่สัมปยุทธยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธิสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีสัมพยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมีสัมพยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภิยกฤตซึ่งมีสัมพยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีสัมพยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล และที่ไม่เป็นอัิญญากฤตซึ่งไม่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภิญากฤตซึ่งไม่ส um e. ัมพยุดด้ว e ยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภิญญากฤตซึ่งไม่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป claro. ็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล และที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมพยุติด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจใจห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมพยุติด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยาเกตซึ่งไม่สัมพยุติด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพยุติด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศล และที่ไม่เป็นอัพยากรตซึ่งมีสัมพยุทธิสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีสัมพยุทธิสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีสัมพยุทธิสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีสัมพยุทธิสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศล และที่ไม่เป็นอพยากฤตซึ่งไม่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจใจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอพยากฤตซึ่งไม่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 6. สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศล และที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุต <BLANK S 2> ัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม <pareil> ่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล และที่ไม่เป็นอ ก, กุศลซึ่งไม่สัมพยุ ด, ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารมัณะปัจจัยมี24วาระละถึงวิปากะปัจจัยมี9วาระละถึงอวิคตปัจจัยมี25วาระสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระพึงขยายให้พิจารณ์ ทุกขลายเวทนายาสัมปยุตตบทเหตุปัจจัยเจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุต ด, ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุต ด, ด้วยทุกขเวทนาเกาิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอภพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่เป็น ia, กุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศล ซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที system, ่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ yes. ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นหนักพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นหนักพยากฤต ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีหกวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤต ซึ่งไม่สัมปยุดด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปียุดด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุดด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารมณปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึง วิปากับปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี29้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิดารตติยบทเหตุ ป, ปัจจัย 8. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมยุญ ด, ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมยุญ ด, ด้วยทุกข ม, ส, ขขมสุขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุ ป, ปัจจัยมีหวาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นนกคุสลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนกคุศลซึ okay? ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนาพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนัพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีหกวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอภิยากฤิตซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมกขเวทนา เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมยุญด้วยทุกขโมุขโ v e h i c อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมยุญด้วยทุกขโมกขโ v e h i c เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุตปัจมียี่สบ้าวาระอรมณะปัจใจมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมี2 9ก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาหนึ่งอุศละติกะสองวิปากติกะเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นวิปาก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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นวิปากเกิดขึ้นพระเหตุตัปัจจัยสภาวธรรม ну <Jean> ที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นพระเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นวิปากเกิดขึ้นพระเหตุตัปัจจัยมีห้าวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภิยากฤิซึ่งไม่เป็นวิปากเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นวิปาก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอ ก, กุศ ล, ลและที่ไม่เป็นอภิยกฤะซึ่งไม่เป็นวิปากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นวิปากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจใจมียี่สิบเ้าวาระอารมณะปัจใจมียี่สิบสี่วาระละถึง วิปากับปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมียี่สิ้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิดารณาสสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรม world, วธรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากลดเคลื่อนพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปาก เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจย์ใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป mm. ็นอกุศลซึ mountains mountains ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป <l ux enhan cer> ็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจย์ใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจย์ใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอ ก, กุศลซึ่งไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตกผัดใจสภา ว, ภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตกผัดใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบาก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 เหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึง อาเสวณปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระและถึงวิปากะปัจจัยมี9้าวาระอวิคตะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระหนึ่งปุสละตึกะสามอุปาทินาตึกะสิบสองอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานยอ่อเฮตุ ป, ปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระ อารามณะปัจจัยมียี่สิบสวาระละถึงวิปากะปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระสิบสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่คำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานยอ่อเฮตุ ป, ปัจจัยมีสิบเจดวาระละถึงอาเสวัปัจจัยมีเ้าวาระละถึง วิปากปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีสิเ จ, เจวาระาสิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุนศนซึ่งม่ใช่คำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานย่อเหตุ ป, ปัจจัยมียี่้าวาระอาระมณะปัจจัยมียี่สิบสีาวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมียี่้าวาระ หกุเชระติฟกกะสี่สังกิเลธาติฟะสิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กิเลส ท, ทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสย่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระอรมณะปัจจัยมีสิบเจดวาระละถึงวิปากปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สอดวาระสิหอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล ซึ่งมิใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสยอ่อเทตุปปัจจัยมี24วาระละถึงอสิเวนะปัจจัยมี17วาระละถึงวิปากปัจจใจมี6าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี24วาระ17อสิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสยอ่อ เทธุปัจจัยมี29วาระอรรมนัปัจจัยมี24วาระและถึงวิปากับปัจจัยมี9วาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี29วาระ 1. อุศรตึกกะ หวิตตะ ก, กติกะสิบแปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ย่อเหตุปัจใจมียี่สิบสี่วาระอรมณะปัจจัยมีสิบเจวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิบสี่วาระสิบเก้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิตตกมีเพียงวิจารณ์ย่อ เหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารมณ์ปัจจัยมียี่สิบสวาระและถึงวิปากรปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระยี่สิบอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ยอ่เอเหตุปัจจัยมียี่สิบสี่วาระและถึงวิปากรปัจจัยมี9้าวาระและถึง อวิคตะปัจจัยมี24วาระ 1. กุศละิกระ 6. ปีติเถระ 21. อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่จะหรคกด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สะหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สะหรคกด้วยโอเบขาย่อเฮตุ ป, ปัจจัยมี25วาระ อารมณะปัจใจมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิบเก้าวาระหนึ่งปุชลตึกกะเจดถึงสิบสองทัศนตึกกะเป็นต้นยี่สิบสองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม ยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระห้าใจ ส, สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสามยอ่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระไม่มีวิปากยี่สิบสาม อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามย่อเหตุปัจจัยมียี่สบเ้าวาระอระมะนะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล ซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามยอ่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาวาระไม่มีวิปลายี่สิบสี่อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระอารมณะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระละถึงวิปากระปัจจัยมีกลาวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึง Hang นิพพานย่อเหตุปัจจัยมียี่สเก้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน ทุกปัจจัยมีปัจจัยและสิบเจวาระไม่มีวิปากยี่สิห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นของเสขะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นของเสขะบุคคลย่อเทตุปปัจจัยมียี่้าวาระอรมณะปัจจัยมียีสิบสวาระและถึงวิปากะปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิ้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นของเสขารูคลและเสขารูคลย่อเหตุกปัจจัยมีสิบเจดวาระละถึงอาศัยวัณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระยี่สิบหกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปริตะย่อเห้ถูปัจจัยมีสิบเจดวาระ ละถึงวิปากาปจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบเจวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นมหคตตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอปมาณะย่อเหตุปจัยมียี่้าวาระอรมณะปจัยมีย4วาระละถึงวิปากปปจัยมีก้าวาระละถึงอวิคตะปจัยมียี่สิ pensar, ้าวาระ ยี่สเจ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีอั ป, ปมานะเป็นอารมณ์ยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารมณ์ปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระหนึ่งกุสลติกะสิบสาถึงยี่สิบหินติกะเป็นต้นยีสิบแอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นชั้นต่ำย่อเฮตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระอารมณะปัจจัยมีสิบเจวาระละถึงวิปากปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบแดวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นชั้นกลางยอ่อเหตุปัจจัยมี24วาระและถึงอาเสยวณปัจจัยมี17วาระและถึงวิปากปัจจัยมี9วาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี24วาระอาศัยสภาวธรรม ท, ที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นชั้นปราณียอ่อเหตุปัจจัยมี2 9วาระ อารามณปัจจัยมี24วาระละถึงวิปากะปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมี29วาระ29อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนย่อเฮตุปัจจัยมียี่สิ้าวาระอารามณะปัจจัยมี24วาระ ละถึงวิปากัดปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นทุกปัจจัยมีปัจจัยละสิบเจ็ดวาระไม่มีวิปากสามสิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีมากเป็นอธิปดีย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระสามสิบเอ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่จกเกิดขึ้นแน่นอน ย่อสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่เป็นอดีตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอนาคตสาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ใช่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ย่อ า Gloria. สาสิบสีอ่ 35. อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศนซึ่งไม่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่เป็นภายนอกตนย่อสามสิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ย่อเฮตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารามะนปัจจัยมียี่สิบสี่วาระ ละถึงวิปากะปั จ, จัจมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจมียี่สิบก้าวาระ 1. ปุชลตึกกะ 21. สชนิทัสนะตึกกะ 36. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากตซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นพระเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศล ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัคุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัคุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัย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 ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอักุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤตซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิ ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นพระเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัคุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤตซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นพระเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัคุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นพระเหตุตุปัจ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 ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมี29วาระอริมณะปัจจัยมี24วาระและถึงวิปากะปัจจัยมี9วาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี29วาระทุกปัจจัยเพิ่งขยานให้พิจารณ 37สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอรมณะปัจจัยมี24วาระละถึงวิปากะปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี29วาระ ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารสามสิบปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยย่อเหตุปัจจัยเมฆาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเมฆาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร